สนุกไหมที่นี่สนุกดีนะเสียงมาปีแรกไม่เคยเห็นสภ า, าพดินฟ้าอากาศแบบนี้กลัวหลังคาหลุดแรงที่นี่มันเป็นช่องเขาระหว่างภูเขาสองกลุ่มเขาเขียวทางนี้เขาชมพู่เป็นภูเขาสองลูกสองกลุ่มอ่ะสองเทือกตรงนี้เป็นช่องมันพอดีเลย ส่งกันบ้านเมื่อวานนี้จะอยู่กับความดังๆเลยนะลมมันดังๆเมื่อวานจะอยู่กับความคิดมากกว่าอยู่กับรูกายรู้ใจค่ะหลงคิดเหลออย่าหลงนานค่ะหลงไปคิดหลงคิดไม่ดีหรอกค่ะรู้สึกไว้ค่ะหลงไปคิดแล้วใจก็ปรุงเนี่ยก็ทุกข์ค่ะถ้าเรารู้สึกตัวบ่อยๆนะเนอะ ทำไงนะ่าถึงจะหลงเป็นฝึกไปเรื่อยๆนะบางวันเนะี่ยโอ้อยากเลิกปฏิบัติสักวันอยากพักผ่อนจิตมันไม่ยอมเลิกนะมันรู้ของมันหมุนจีจีจีมันกดกดนะคะตอนเช้าในเมื่อวานก็สบายแล้วก็เ <c oughs> มื่อคืนเดินจงกรมนะคะหลวงพ่อแล้วก็เห็นใจมันแวบไปฟังฟงหลวงพ่อบ้างแล้วก็เดินที่เท้าบ้างแล้วก็ <c oughs> ไปเห็นความกลัวบ้างอะไรเงี้ยค่ะดีนะฝึกอย่างนี้นเห็นแม่ฉีดมันเป็นไปเองเจ้าค่ะนั่นแหละดีหลวงพ่อขางนิดเดียวตอนแปลงฟันนะคะถ้าเกิดว่าใจเราไปอยู่ที่กระจกเนี่ยจะเห็นตัวเราแล้วก็เสียงที่แปลมันจะเบาแต่ถ้าใจมาอยู่ที่เสียงแปลงเสียงมันจะดงังแล้วตั ว, ต, ว, ต, วตัวกระจกมันจะมันจะเบลออย่างนั้นใช่ครัถูกต้องแล้วจิตนะรู้อารมณ์ได้ครั้งละอย่างเดียวนะมันรู้ชัดอันเดียวแหละธรรมดาปกติละ ทำจิตที่ไปคิดมากขึ้นเจ้าค่ะแล้วก็เห็นความอยากดีในตัวเองแล้วเวลาสวดมนต์จิตไหลไปคิดก็จะเห็นจิตที่ไหลไปคิดอ้าวเดี๋ยวนี้ตรวจกันบ้านง่ายเมื่อวานนี้มันมันฟุ้งซ่านมากนะฮะโยมก็เลยไปซักผ้าจิตมันเลยตั้งมั่นขึ้นมาอมแล้วจากนั้นคือคือมันฟุ้งซ่านลดลงค่ะแต่แต่มันก็ยังเมื่อเช้ากระจายแล้วก็มีกด ดีแล้วนะดูไปอย่างนั้นแหะวัศกรหลวงพ่อครับคือผมตอนนี้ผมดูดูกิดแล้วเนี่ยผมไม่แบบว่าให้ให้แบบว่าไม่เห็นมันไม่เห็นอ น, นิจจังนะครับคุกขังอนิจจ า, ร า, าครับคือต้องน้อมใจให้มันคิดไม่น้อมสินะอย่ไปน้อมมันรู้ทันความเปลี่ยนแปลงไปไเรื่อยๆการที่เห็นความเปลี่ยนแปลงนั่นแหละเห็นอ น, นิจจังอยู่แล้ว ครับนั่นอย่างที่ผมดูจิตเงี้ยก็คือตงไม่ต้องแบบว่ารู้สึกไหมตอนนี้ภาวนาดีนะที่เป็นอยู่ตอนนี้แหละดีเป็นธรรมชาติเลยรู้สึกไหมพี่ผมทำอยู่ตอนนี้เลยใช่ไหมครับก็คือรู้ว่าตอนนี้ตอนนี้เริ่มเพ่งแล้วเริ่มกดแล้วตะกี้เนี้ยล่งๆกว่านี้นะแล้วอย่างนี้มันถ่ายเพ่งยังครับก็คือมันเพิ่มเ่มไปแอย่างนี้แกล้งทำแล้ว ดีล้ที่ภาวนาอยู่ใช้ได้คือรู้อย่างเดียวไม่ต้องไม่ต้องแบบว่าคิดว่ามันไม่ต้อ ง, ไ ม, องไม่ต้องไปคิดไตรลักษ์ไตรลักษ์ไม่ได้เอาไว้คิดการที่เราเห็นตัวสภาวะนะแล้วก็ดูสภาวะด้วยใจที่ตั้งมั่นไม่เข้าไปแทรกแซงมันนะมันเห็นไตรลักษ์เองอ๋อครับแล้วที่หลวงพ่อบอกว่าถ้าดูจิตเดียวมันได้แค่สมรคะไม่ใช่วิปัสสนาอันนั้นเพ่งจิตแต่ถ้าจิตเราตั้งมั่นอยู่เนี้ยเดี๋ยวสติก็รู้กายเดี๋ยวสติก็รู้จิต มันเดินปัญญาเองครับอยา่างกนณีผมรู้ว่าเพ่งอย่างนี้ถ่ายยังครับอะไรนะตอนนี้ครับผมรู้ว่าตอนนี้ผมเพ่งอะไรเงี้ยครับเอาไม้ใกล้ๆปากหน่อยตอนนี้ผมเพ่งอยู่ light, ใช่ไหมครับแล้วรู้ว่าอย่างนี้มันยัง<อ>ไม่ถ่ารู้ทันไปนะรู <ora> ้ได้ใจเป็นกลางเพ่ง <peut> ไม่เหมือนเผลอนะเผลอนี่ทันทีที่รู้ว่าเผลอจะดับ ท, ทันทีเพราะอะไรเพราะเผลอเป็นอกุศลทันทีที่สติเกิดอกุศลจะดับทันที แต่การเพ่งนั้นมันเพ่งเพราะรักดีนะเพ่งแล้วจะไปปล่มมันโลภมันไม่ใช่อากูศลถึงรู้ว่าเพ่งมันก็ไม่เลิกเพ่งหรอกยกเว้นแต่เราจะเลิกซะเอง่าไปสนใจมันมันก็หลุดออกมาเองที่น้างพี่มพอบอกให้ปฏิบัติต่อร่างกายให้แบบว่าให้คิดว่าเหมือนอย่างพี่จะถือมันเหมือนมันเป็นพื้นอย่างนี้ใช่ไหมครับอะไรนะพอบอกว่ายกยกไมสูงสูงนิดเดงพอบอกว่าเวลา บอกว่าดูกายเหมือนว่าบางคนดูพื้นร้อนอ่อนแข็งเนี่ยคือมันพื้นมันไม่ใช่ของเราเวลาให้เราดูกายของเราเนี่ยให้ดู ม, มันเหมือนเป็นพื้นใช่ไหมครับว่าไม่ใช่ของเราไม่ไม่ไม่ได้ดูกายเหมือนเป็นพื้นอย่าไปดูพื้นให้ดูกายแต <laughs> ่ว่าให้ดูกายให้รู้สึกว่ากายเรามันก็ไม่กากอะไรกับพื้นอย่างนั้นใช่ไหมครับไม่ไม่ไม่ไม่ให้คิดอย่างงั้นคิดเอาแค่รู้สึกถึงความมีอยู่ของร่างกายเห็นไหมร่างกายยืนเดินนั่งนอนร่างกายเคลื่อนไหว ร่างกายหยุดนิง่งดูอย่างนี้เรื่อยๆไม่ได้ไปคิดว่าร่างกายเหมือนพื้นนะครับหลวงพ่อบอกว่าอย่ า, าปไปดูพื้นให้ดูร่างกายเอาไม่ได้ให้ไปคิดว่าร่างกายเหมือนพื้นทนะะละเรื่องกันนะครับไมคิดว่ามันไม่ใช่ตัวเราอะไรใช่ไหมไม่ต้องคิดความคิดนโยมทิ้งไปครับผมให้รู้ว่าตอนนี้นั่งอยู่อย่างนี้ก็พอใช่ไหมครับตอนนี้ร่างกายมันนั่งความต่างมันอยู่ตรงนี้คนทั่วไปพอนั่งนะรู้สึกว่าเรานั่ง ผู้ปฏิบัติที่จิตตั้งมั่นมีสติจะรู้สึกว่าร่างกายมันนั่งไม่ใช่เรานั่งความรู้สึกยจงไม่เหมือนกันหรือคนทั่วๆไปเวลาโกรธก็จะรู้สึกว่าเราโกรธมีเราโกรธขึ้นมาผู้ปฏิบัติจะเห็นไหมจิตมันโกรธไม่ใช่เราโกรธคนละเรื่องกันเพราะฉะนั้นสภาวะเนี่ยจะไม่เหมือนกันความรู้สึกไม่เหมือนกันอันหนึ่งมันจะมีตัวเราขึ้นมาอันนึงมันจะถอนตัวเราเออกไปแต่ไม่ใช่คิดเอา ถ้าเมื่อไรจิตตั้งมั่นสักว่ารู้ว่าเห็นได้เมื่อนั้นจะถอนเอาความคิดออกไปจะถอนตัวเราออกไปถ้าเมื่อไหร่หลงไปอยู่ในโลกของความคิดหรือจงใจปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งมันจะมีเราขึ้นมาดูเล่นๆไปอย่าคิดมากไปภาวนาดีอยู่แล้วเป็บครับำอยู่ดีแล้วใช่ไหยครับก็คือไม่ต้องอะไรกับมันมากใช่ไหมนั่นแหละโง่ๆเชื่อหลวงพ่อครับกิเลสไม่กลัวคนฉลาดนะครับกิเลสกลัวคนขยันดูดูซื่อๆเคยได้ยินไหมรู้ซื่อๆรู้ไป ง่ายไม่มีอะไรเอาต่อไปยกมืออ่ะว่าไปคุณไหนไหนก็เอาแล้วส่งกันบ้าชื่ออะไรหลวงพลืมไปอีกแล้วต้นครับชื่อต้นนะหลพอไปจําฝนกับอีกคนชื่อบุษมาไหมวันนี้ครับเอ่อตอนนี้มันรู้สึกเหมือนกับมันบางมากเลยครับหลวงพ่อดีแล้วล่ะฮะแล้วก็จิตมันจะไปจําเคยเห็นสภาวะที่มันแบนราบนะฮะแล้วมันก็อยากจะเข้าไปจดใจให้รู้ว่าอยากนะ ไม่เอาหรอกสภาวะใดๆทั้งสิ้นเพราะสภาวะทั้งหลายนั้นเท่าเทียมกันด้วยความเป็นไตร ล, ลักษณ์แค่นั้นเองตอนนี้พวกเราภาวนาเข้าร้องเข้ารอยเยอะนะสองคนนี้ดีของคุณยังติดเพ่งนิดหน่ท่านั้นนะของคุณต้นก็ดีเน้นประกองไว้เล็กน้อยจิตมีโมหะดูออกไหมมีโ ม, ม, มหะรู้เฉยๆมาถึงวันนี้นะพวกเราที่ภาวนาเป็นเนี่ยเยอะมากเลยเยอะมากนะอีก3ปีสปีอะไรเนี่ยต้องเกิดพระริยะอีกเยอะแยะเลย พักเพียนเข้าขรู้สึกกายรู้สึกใจบ่อยๆอย่าคิดเยอะคิดมากยากนานนะรู้สึกไหมง่ายเมื่อสองสวันนี้ก็มีพระอาจารย์กฤิอาจารย์กฤิที่เป็นอ่านหนังสืออยู่วัดสังฆทานเนะี่ยเดี๋ยวนี้ท่านย้ายวัดไปที่อยู่ที่อื่นอยู่ระยองอาารกริชนะัตื่นมาเต็มที่เลยแล้วก็มาบอกหลวงพ่อมันง่ายจริงๆอย่างที่อาจารย์บอกนะง่ายจริงรู้สึกไหมต้น ไม่ได้ทําอะไรทำนั่นแหะดีดีซะที่ไหนทํำก็ปรุงแต่งะนะั่นแหะอยู่ที่รู้ทันนะเราก็ไม่ได้ทําอะไรเลยจิตเลิกปรุงแต่งจิตจะเห็นธรรมะที่ไม่ปรุงแต่งคือเห็นนิพพานจิตปรุงแต่งมันก็เห็นแต่ของปรุงแต่งเห็นความรลภความโกรธความหลงอะไรไปที่รู้สึกไหมเสื้อแดงแดงนั้นกราบหลวงพ่อครับครั้งสุดท้ายหลวงพ่อบอกให้ไปทําความสงบครับ แล้วมันไม่สงบครับไม่สงบให้รู้ไปอย่าอยากสงบทำความสงบอย่า ย, ยากอะไรไเห็นยากเลยนะทําใจสบายๆมันก็สงบสิเคล็ดลับของความสงบอยู่ที่สบายจำไว้นะถ้าเมื่อไหร่ใจเราอยู่ในอารมณ์อันเดียวที่สบายๆเนี่ยจิตจะสงบอัตโนมัติเลยเนาะทำให้สงบง่ายๆแต่ถ้าไปบังคับเนี่ยบังคับบังคับไม่สงบหรอกนะมันเลยเพ่งอยู่ตลอดก็จะ่าไปเพ่งเอา ให้รู้เล่นๆรู้สบายๆเนี่ยสบายๆอย่างคนไหนชอบทำอะไรนะอย่างบางคนชอบปลูกต้นไม้ไปปลูกต้นไม้มีความสุขจิตใจก็สงบบางคนชอบอ่านหนังสือใช่มอ่านหนังสือแล้วมีความสุขจิตใจก็สงบเนงั้นเราทำกรรมฐานอะไรแล้วมีความสุขทําทำอันนั้นนะทนเล่นๆอย่าหวังผลมันจะสงบเอง แต่การที่ให้คุณไปฝึกความสงบตอนนี้ได้ผลละจิตของคุณตั้งมั่นขึ้นมาแล้วดูออกไหมที่หลวงพ่อต้องการให้ฝึก เ, เพื่อจะให้ได้ตัวนี้ไม่ได้เอาความสงบอะไรนักหนาหรอกแค่นี้มันพอหรือเปล่าพอแล้วมันแค่นี้พอแล้วเหเออรอต้องการให้ทําแค่นี้แหละแต่มันไม่ขึ้นไตรักนะครับอะไรนะมันยังไม่ขึ้นไตรักครับหลวงพ่อไม่ขึ้นไตรักมันยังไม่เห็นไม่ไม่ไม่ขึ้นวิปัสนาครับว่าอย่าไปสนใจวิปัสนาง่ายตายไป มีสติรู้กายรู้ใจด้วยจิตตั้งมั่นเป็นกลางรู้เล่นเล่ๆไปของคุณอยวไปกลัวมันขึ้นแล้ ว, ข, ลวขึ้นแล้วยังไม่รู้เลย <c oughs> รู้สึกไหมเราเห็นกิเลสเกิดดับอยู่ในใจเราเรื่อยๆ <c oughs> ดูออกเปล่ายังดูไม่ออกครับเห็นร่างกายที่ยืนเดินนั่งนอนไหมเห็นครับของคุณถนัดดูกายคุณไปดูกายไว้เ <c oughs> ห็นร่างกายเนี่ยทำงานตลอดวันเลยไม่ใช่ตัวเราทํางาน <c oughs> เห็นดูอย่างนี้นะนั่นแหละขึ้นวิปัสสนาแล้วอ๋อ เบอร์ยี่สิบเอ็ดอยู่ใกล้ครับก่อนแล้วค่อยไปเบอร์60กราบน้ำระสการหลวงพ่อเจ้าค่ะยมรู้ว่าโยมติดอะไรอย่างนึงค่ะแต่โยมไม่รู้ว่ายมติดอะไรยมอย่าไปกระวนกระวายใจไปกระวนกระวายใจกลัวปฏิบัติไม่ดีให้รู้ซื่อไปไม่ดีรู้ว่าไม่ดีรู้สึกติดอะไรอยู่ก็แค่รู้เท่านั้นนะ อยู่ที่ว่าใจเราเป็นกลางกับทุกสิ่งทุกอย่างไหมถ้าใจเราเป็นกลางใจไม่ติดอะไรอะไเดี๋ยวตอนนี้เราไปกดใจไว้ดูออกไหมเราไปเค้นไปบังคับมันถ้าเราอยากดีอย่าอยากดีนะรู้เล่นๆไปไม่ดีก็ได้ถ้ากดอยู่ตรงนี้ก็ติดอยู่นี่แหละ ก, กดเอาไว้ใช่ไหมกดเอาไว้มันเหมือนมีอะไรอย่างหนึงอะคะ่ะมันมันเนียนๆเป็นพื้นอยู่อันหนึ่งะไร น, นะสภาวะ ต่างๆมันก็เกิดแล้วนะคะแต่มันมีอะไรที่มันนั่นแหละมันมีกวดตัวนิ่งยืนพื้นอยู่นะไปกดให้มันนิ่งๆไว้นิ่งใช่ไหมคะโยมก็คิดว่าซึมเศร้าหรือนิ่งหรือมันเศรอกนะัวจะไปเกิดตื้นไปกดมันไว้ไปกดเอากราบขอพระคุณครับเบอร์หกเบอร์หกอยู่ที่ไหนยกมือครับกราบนวารสการหลวงพ่อครับอจิตขณะนี้ปกติไหม ไม่ครับรู้สึกว่ากดไปนิดนึงครับเออนะรู้สึกแหมกดไว้กดให้นิ่งแล้วก็มันก็เจ้าออกมาข้างนอกด้วยดวูออกไหมตอนที่หลวงพ่อทักครั้งแรกตอนนั้นผมรู้สึกว่าแน่นหน้าอกครับก็เลยเหมือนกับดูความแน่นนะครับแต่รู้สึกว่าตรงสงสัยดูแล้ว เ, าเ้าไปเพ่งตรงนั้นด้วยเราไปเพ่งนะแล้วเราไปพยายามเพ่งให้เบาๆด้วยครับไม่ได้เพ่งให้หนักนะพยายามเพ่งเบาๆอืๆครับแต่ว่าตอนนี้รู้สึกว่าจะดีกว่าตอนแรกปล่อยซะนะครับปลยเป็นธรรมชาติที่สุดเลย <c oughs> ธรรมะเป็นธรรมดาเราเรียนธรรมะก็คือคอยรู้ความเป็นธรรมดาของกายความเป็นธรรมดาของใจให้รู้เล่นๆ <c oughs> ไป <c oughs> อย่าไปบังคับมันครับ <c oughs> แล้วก็ตอนนี้ผมรู้สึกว่าคือครั้งล่าสุดที่ผมมาฟังหลวงพอ่อใช่ไหมครับแล้วตอนนั้นผมรู้สึกว่ารู้สึกมีความเบือ่อเบื่อใน เ, อเบื่อโลกอะไรประมาณนั้นนะครับแล้วหลวงพ่อรู้สึกว่าจะาพูดมาว่าเหมือนกับรู้สึกเกี่ยวกับให้รู้สึกถึงความเบื่อตรงนี้ไปครับ ก็เหมือนกับว่าเบื่อแล้วนะครับกลับไปก็ผัสสะเต็มเลยนะครับแล้วคือรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยสอบตกนะครับก็คือจิตแบบเขาเหมือนกับเข้าไปกับผัสสะตรงนั้นนะครับแล้วก็ตอนนี้จะรู้สึกว่ามีมีความเศร้ามองอยู่ในในจิตใจด้วยครับรู้ลูกเดียวเลยนะครับเห็นไหมจิตเราไม่คงที่จิตเราเปลี่ยนไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวเศร้ามองเดี๋ยวพองใสเดี๋ยวหนักเดี๋ยวแน่นเดี๋ยวเบาเห็นไหม เขาแสดงไตรลักษณ์ี่จไปปฏิเสธมันครับแต่ก็ไม่ได้ไม่ได้พักต้านเขาครับก็แต่ตอนเนี้ยจิตเป็นเป็นตัวปลอมนะครับมันปลอมปลอมอยู่ปล่อยซะปล่อยได้เยอะกว่าตะกี้ละรู้สึกไหมรู้สึกครับรู้สึกว่าใายออ้เบาๆขึ้นครับเออดีละเอาเบอร์แปสิบแปดน้อสกัรครับมีเรื่องรบกวนหลงพ่อหลายเรื่องเลยเรื่องแรกนะครับวันนั้น ไปกินเหล้ามากินเหล้ามาแล้วมันเมาเมาวันนั้นมันเห็นชัดมากเลยหรอกเขาขนากินมันก็ดูกายไปด้วยครับดูกายไปด้วยมันก็พอพอมันเมาเสร็จล้มลงไปนอนเนี่ยจิตมันทํางานอยู่มันทํางานก็มันก็ทําของมันเฉยๆเนาะแต่ว่าแต่กายของมันเนี่ยมันไม่ไหวละมันก็เห็นเออเว้ยตอนเมานี่ยกลประคับกายไม่ได้ภาวนาแบบพระจี้กงเลยมันมันไปเห็นตัวนั้นก็เลยไม่รู้ไอ้ตอนนั้นมันอุปทานหรือเปล่า ไม่บูปทานหรอกนะอเคอยรู้คอยดูไปอีกตัวหนึ่งพอพอพอกลับมาเลิกเมาแล้วคราวนี้ก็มาคอยดูคอยดูมันเห็นว่ามันเห็นว่าตัวเองมีสติก็เลยคิดว่าไอสติเนี่ยมันมันไม่ใช่อย่างที่เราเคยคิดมาก่อนนะนเนี่ยไอ้สติมันมันลอยมันลอยลอยตัวมันเป็นอีกแบบเออมันไม่ได้ไปเพ่งนะมันผุดขึ้นไปลอยลอย แค่รู้สึกสบายๆโล่งๆคือ <c oughs> อย่างนี้ถูกเป็นสติตัวแทนแล้วหรือยังแทนกรดีกระดาบแต่ต้องมีสีหน้ากินเหล้าไม่ดีครับกินเหล้าภาวนาไม่ไหวหรอกข้อที่สามก็คือข้อสุดท้ายละคือสภาวะบางทีมันมันรู้ว่ามีสภาวะเกิดขึ้นในจิตนะครับแต่ผมดูไม่ออกผมดูไม่ออกก็ก็ได้แค่รู้ไปแต่คือมันพอมันรู้ไปรู้ไปมันก็ยาวไปยาวไปยาวไ ป, วไปจนมันหลายวันไม <c oughs> ่รู้ทันว่าใจถล่มลงไป ออใ่เราถล่มลงไปดูใ่เราไม่ได้ดูอยู่ห่างๆนะเวลาเกิดสภาวะเนี่ยไปสนใจมันพยายามจะดูให้ชัดจิตมันไหลเข้าไปข้างในหลงตามมันเข้าไปมันไม่ตั้งมั่นมันไม่ตั้งมั่นะ่ะครับอ๋อเราเราวิธีแก้เราจถอยยังไงต้องอย่า ก, กินเหล้าก่อนอย่า ก, กินเหล้าคนกินเหล้ า, าจิตไม่ตั้งมั่นหรอกอ๋อครับนะนะเพราะจิตก็ต้องเอียงไปเอียงมาร่างกายยังเอียงเลยอ๋อครับผม เราจะมีศีนว้ก่อนนะมันจะช่วยให้เราพอนา ง, ง่ายครับเลี่ยงได้ก็เลี่ยงซะนะครับแล้วก็เวลาที่สภาวะอะไรเกิดซ้ำซากนานๆเลยเนี่ยต้องผิดปกติครับโดยปกติมันควรจะเกิดแวบเดียวใช่ครับก็เลยนะต้องมาลบล<อ>วนทาไมมันเป็นอย่างนั้นเพราะใจเราไหลลงไปจ้องไหมเราใจเราไม่ได้ตั้งมั่นใจเราเคลื่อนไปไปดูนะครับถ้าใจตั้งมั่นไม่เป็นอย่างนั้นนรอกเนี่ยตอนเนี้ย ความอยากเกิดขึ้นเห็นไหมครับเพราะหลวงพ่อไม่บอกก็ไม่ทันเห็ น, นะราเห็นไหมใจมันไหลไมาอยู่ทางหลวงพ่อมันไม่ตั้งมั่นดูออกไหมดูไม่ออกครับไปตรงไม่ตัง้งตรงตงรั้งมันเนี่ยครับต้องทำยงไงตนเนี่ยนีไปคิดทราบไมครับทราบเบเ ก, ก้ครับอยากดูใจที่ตั้งมั่นนะให้รู้ใจที่ไม่ตั้งมั่นใจที่หนีไปคิดเนี่ยไหลแวกไปถ้าเรารู้เดี๋ยวมันจะตั้งขึ้นเองอ๋ออย่างตอนเนี้ยหนีไปคิดอีกแล้วทราบไหม ไม่ทันแล้วครับตอนนี้ไม่ต้องทันไม่ต้องทันอไม่ได้ให้ทันนะอ๋อครับไปอีกแล้วรู้สึกไหมครับครับเนี่ยหัดอย่างเนี้แหละมันจะตั้งมั่นขึ้นมันแต่อย่าไปเพ่งเอาไว้นะเพ่งไว้ไม่ตั้งมั่นหรอกเพ่งไว้เคร่งเครียดมันต่างกันมากไหมครับไอเพ่งกับตั้งมั่นเนี่ยคุณอย่างละโลกเลยเพ่งมันก็ไปอย่างมากก็ไปพรหมโลกจิตตั้งมั่นรู้กายรู้ใจมันจะไปนิพพานคนละทางกันเลย แ ล, แล้วมีเทคนิค ก, การตั้งมั่นไหมครับให้รู้จิตที่ไม่ตั้งมั่นบอกแล้วดูไม่ออก <c oughs> บอกเีกครั้งที่สองเห็นไหมให้รู้ฐานจิตที่ไม่ตั้งมัน่นนะครับขอบคุณครับเบอร์หกณ้นขณะ น, นี้เมื่อเมื่อเทียบกับเมื่อเช้าเนี่ยตอนนี้รู้สึกสบายกว่าแล้วก็จะถามหลวงพ่อว่ากรรมาฐานที่ผมปฏิบัติทั้งแบบเคลื่อนไหวและไม่เคลื่อนไหวเนี่ยแบบไหนเหมาะกับผมครับเคลื่อนไหวไว้สินะ ของคุณถ้าไม่เคลื่อนไหวเดี๋ยวเพ่งจิตมันเคยเพ่งชินที่จะเพ่งพยายามกระดุกกระดิกแล้วก็ดูกายมันทํางานดูใจมันทํางานอย่างตอนนี้ใจไปคิดด อ, อกไหมครับถ้าดูใจไม่ได้ก็รู้กายแต่อย่าเพ่งกายนะของคุณเพ่งของคุณยังชอบเพ่งอยู่รู้เล่นเล่นรู้ไปด้วยใจโปร่งโปร่งสบายสบายตอนนี้ใจหนีไปคิดทัาบไหมครับนิดนึงครับเดีย๋ยวนะให้รู้ทันหนีไปคิดก็รู้ไม่ว่ามันหรอกรูนะ้เล่นเล่นไปเรืย เบอร์หแล้เบอร์เบอร์อะไรต่อไปเบอร์24 24ิบสบสีกลัวาสการหลวงพ่อค่ะคือเดี๋ยวนี้ได้รู้ตัวได้ที่ขึ้นนะคะแล้วก็มีวันนึงนั่งทํางานอยู่อะค่ะแล้ว เ, เสร็จแล้วกําลังใช้ความคิดกับการทํางานแล้วมันก็รู้สึกตัวขึ้นมาว่าหนีไปคิดกับการทํางานแต่คราวนี้หนูไม่แน่ใจเพราะว่ามัน มันเหมือนแบบรู้ทีทีทีก็เลยไม่แน่ใจว่าเราไปเพ่งเพ่งว่าเรารู้หรือเปล่าหนี่เดี๋ยวน้าจะดูว่าเพ่งหรือไม่เพ่งอ่ะดูใจเราถ้าเราเพ่งใจจะเคร่งเครียดใจจะหนักหนักแน่นแน่นถ้ามันรู้เองนะใจเราจะโปร่งโล่งเบาสบายแต่มันคือมันมันทีจนบางทีเราคิดอะไรไม่ออกไงคิดงานไม่ออกเหมือนเรากำลังคิดเราก็รู้สึกจ้างนะเวลาทํางานอ่ะต้องมีฉันทะในงาน ไม่ใช่เวลาภาวนานะเพั้นพยายามตั้งใจคอน c e n t r a t กับงานไว้ค่ะแต่เวลาอื่นอนะไม่ใช่เวลาทํางานเนี่ยจิตหนีไปคิดแล้วรู้นีไปคิดแล้วรู้นะค่ะยิ่งอัตโนมัติอย่างของคุณนักปฏิบัติเขาก็อยากได้กันทั้งนั้นแหละมันสติเกิดเองถี่ยิบอย่างนั้นแต่ว่ามันเกิดผิดที่ผิดทางมันไปเกิดตอนทํางานแล้วก็มีอีกอันหนึ่งอะคะ่ะที่หนูไม่แน่ใจคือ คือหนูไม่รู้สึกว่าตัวเองจะดูกายเป็นอะคะ่ะตอนเดินจงกรมอะคะ่ะแต่ว่าแต่ว่าใจอห น, นีไปคิดอย่างเงี้ยจะรู้ใจห น, นีไปคิดจะรู้ไม่ต้องดูกายไม่ไม่จําเป็นใช่ไหมคะไม่จําเป็น ค, คือเราภาวนานะเพื่อให้มีสติมีสัมมาสมาธิมีปัญญาเห็นไตรลักษณ์ของกายของใจเราไม่ได้ภาวนาเพื่อจะรู้กายหรือเพื่อจะรู้ใจอันใดนหนึ่งนะถนัดรู้กายก็รู้กายถนัดรู้จิตก็รู้จิตไป ถ้ารู้กายถูกต้องก็เกิดสติเกิดสัมมาสมาธิเกิดปัญญาถ้ารู้จิตถูกต้องก็มีสติมีสัมมาสมาธิมีปัญญาเหมือนกันเปียกเลยค่ะเรามีอีกอันนึงค่ะทําไมหนูยังรู้สึกว่ามีตัวตัวอยู่ตัวตน่ยู่เพราะยังเป็นปุถุชนเดี่ยมันต้องมีถ้าไม่มีก็คือมองไม่เห็นมองเห็นน่ะดีแล้วอ๋อหรอคะ เห็นหลุงพ่อบอกว่าถ้าภาวนาถูกมันจะเห็นว่าเราไม่มไม่มีเห็นไห ม, ไ ม, มความ <ตร S 2> เป็นเราเกิดขึ้นเป็นคลาว์าวดูออกไห ม, มไม่ได้มีตลอดเวลาดูออกไหมใช่ค่ ะ, ะเห็นไหมตัวตนไม่ได้มีจริงหรอกมันเกิดขึ้นเป็นคล า, าว์ไม่ได้มีถาวรล ะ, ะ ด, ดูไปอย่างนี้แหละค่ะ ข, ขอบคุณค่ะร40หลวงพ่อคะที่หนูทํามาช่วงที่ผ่านมาเนี่ยคะ่ะถูกต้องไหมคะยังติดอะไรอยู่ไหมคะ ใจมันอ่อนแอไปเล็กน้อยนะมันเนือยเนยไปหน่อยไม่กับปี่กับเป๋าพยายามปลุกใจให้มันคึกคักกว่านี้นิดหน่อยมันเฉ่ย<ำ>ไหมต้องทํำยังไงอะคะให้รู้ทันใจที่มันเฉยเฉยเนื่อยเนือยนะบางครั้งใจมันนิ่งะะนิ่งอะค่ะนั่แหละนิ่งไปนะที่หลวงพ่อว่ามันยังไม่ดีคือมันนิ่งเกินไปทําไมต้องนิ่งอย่างนี้เราไปประคองไว้เรากลัวไม่ดี เรกลัวไม่ดีกลัวไม่ได้ปฏิบัติต้องใจถึงถึงเลยนะอย่างเอาเนี้ยตอนเนี้ยสงสัยแล้วทราบไหมค่ะสงสัยรู้ว่าสงสัยรู้สึกไหมตรงที่รู้ว่าสงสัยเมื่อจิ้มสว่างขึ้นมาใจมันโล่งขึ้นมานะให้เรารู้สภาวะลงปัจจุบันจริงๆนะมันจะตื่นขึ้นมาถ้าเราไม่รู้นะเราโมาดูแล้วก็ดูแบบอ้อยอ้อยอ้อยอิง อ, อ, อ, อ, อ, อ, อ, อะไรเนี่ยนะไม่ดีแล้วหนูควรนั่งสมาธิหรือว่าคนตอนนี้อย่าเพิ่งนั่ง นั่งมา ก, มากๆดกเลยข้าไปติดตรงนี้แหละนั่งแล้วก็ซึมไปเรื่อยๆซึมไปไม่ดีนะแล้วแล้วหนูควรใช้วิธียังไงคะเดินจงกรมเหรอคะไปทำงานบ้านมีงานบ้านทำไปเรื่อยๆนะกวาดบ้านทู บ, บ้านสมมติเรามีคนอื่นทำเราก็ไปแย่งเขาทาบ้างแล้วเราก็เคลื่อนไหวแล้วคอยรู้สึกไปหางานอดิเรกทำบ้างเช่นถ้าเราชอบต้นไม้ก็ไปลดต้นไม้อะไรเงี้ย คนเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวแต่อย่าไปผูกพันกับมันนะเลี้ยงเอามันไปอาบน้ําไปอะไรเงี้ยเราก็เคลื่อนไหวไปกระดูกกระดิกละค่ะของคุณถ้าทําในรูปแบบตอนนี้มันจะเพ่งมันเคยเพ่งจะกลับไปติดเพ่งง่ายงั้นพยายามใช้ชีวิตธรรมดาอย่างตอนนี้รู้สึกไหมจิตใจไม่เหมือนตะกี้ละค่ะตรงเนี้ยดีนะนี่แหละคือจิตที่รู้สึกตัวอะไรเป็นอย่างนี้แหละ แต่ตอนนี้เป็นจิตที่หนีไปคิดแล้วเริ่มกดไว้อีกละรู้สึกไหมบางทีก็ทันบางทีก็ไม่ทันค่ะไม่ต้องทันต้องไม่ทันด้วยมันเป็นยังไงล้วก็ค่อยรู้ว่ามันเป็นอย่างนั้นไม่ต้องทันนะพยายามดูให้ทันจะกลายเป็นเพ่งอเบอร์แปอยู่ไหนยกมืออูข้างหลังแการมาตรการหลวงพ่อครับ ออพอดีวันที่28ทธันวาผมพาครอบครัวไปเที่ยวที่ประเจีนแล้วขากลับมีรถเครื่องออที่มีผู้ชายกับผู้หญิงใส่ชุดขาวขี่รถเครื่องตัดหน้าผมแล้วผมก็หักหลบรถวิ่งมาความเร็วประมาณร้อยขวาครับพอหักหลบเสร็จปุ๊บก็หักกลับขึ้นมาบนถนนใหม่บังเอิญไปชนเสาไฟแล้วลูกชายนั่งอยู่ประตูหลังกำลังหลับอยู่ เสร็จแล้วประตูมันก็เปิดแล้วลูกชายก็ตกจากรถลงมาเสียชีวิตเสร็จแล้วผมก็ไปอุ้มศพลูกชายขึ้นมาแบบเลือดเต็มถ น, นนะ่ะภาพเนี่ยมันติดตาผมตลอดแล้วเสร็จแล้วผมก็กำหนดสติเพื่อเพื่อให้รู้แล้วก็ปลดคือปล่อยวางอพอคิดข้างในผมก็ตั้งสติแล้วก็ปล่อยวางตลอดพอเห็นสิ่งของต่างๆที่อยู่ในบ้าน หรือว่านึกถึงตอนที่เขาพาผมไปทําบุญเกือบทุกวันศุกร์ผมก็พยายามคิดว่าเออเป็นสิ่งที่ดีที่ควรจดจำแต่ว่าบางครั้งมันก็จิตก็ตกเป็นบางครั้งแตจแล้วผมก็มพยายามทําบุญเพื่ออุทิศ ส, น ส, นสน่วนกุศลให้เขาแล้วอยากจะขอคำแนะนำว่าเออเออถ้าเราทําสิ่งใดที่ดีที่สุดครับตอนนี้ที่จะให้ลูกชาย เราภาวนาไว้นะครับขั้นแรกเลยเราต้องไม่มีความทุกโศกก่อนใจของเราเป็นกุศลถ้าใจเราเศร้าโศกเราคิดถึงเขาเนี่ยกระแสของความเศร้ามันก็แผ่ไปก็ไม่ดีนะนั้นเราภาวนาพอจิตใจเราสงบจิตใจเราตั้งมั่นเราก็ทกําคุณงามความดีทั้งหลายและแล้วก็อุทิศส่วนกุศลให้เขานึกๆึกบอกเขาอะนะว่าพ่อไปทําบันนี้ให้น้อะไรอย่างเงี้ยแต่ใจสําคัญที่ใจเราต้องรักษาไว้ให้ดีก่อน อย่างบางคนอยากแผ่ส่วนบุญให้คนที่ตายแล้วใจของเรามีแต่ความเศร้าโศกใจเรารไม่มีบุญใจเรามีอกุศลนะไม่นานมันก็หายนะยกุศลตัวไหนที่มีพลังมากที่สุดที่จะส่งให้ลูกชายครับเราทำใจทางนั้นแหละนะทำทานรักษาศีลภาวนามีมีประโยชน์ทางนั้นแหละแต่ละอันมันให้ผลไม่เหมือนกันอย่างเราทาทานเราอุทิศให้นะ เขาได้อาหารได้อะไรอย่างนี้ได้อาหารที่อยู่อาศัยได้เครื่อ ง, ง, องนุ่มผมอะไรเงี้ยเราจเจริญสติไปให้นะให้ เ, าเรารู้เนื้อรู้ตัวเราจําเป็นต้องรู้ไหมครับว่าเขาไปอยู่ที่ไหนไม่จําเป็นนะครับไม่จําเป็นอ่ะเราทําหน้าที่ของเราในโลกนะมันเคยดูเ้าลอยกระทงไหมครับเดี๋ยวกระทงก็ลอยมาอยู่ด้วยกันเดี๋ยวก็แยกกันไปครับเวลาเราเดินทางไกลในสังสารวัฏก็เป็นแบบนั้นละ ช่วงชาตินี้ก็มาอยู่ด้วยกันอะไรเนี่ยชาติต่อไปก็แยกกันเราก็ไปมีลูกใหม่แล้วก็ลืมลูกนี้อะไรเงี้ยเป็นอย่างนี้ตลอดมาในเพราะในสังสารวัตรมันก็เลื่อนไหลไปเรื่อยๆเหมือนลอยกระทงไปนั่นแหละเวลาเรามาจะยังจําได้อยู่เราก็ยังผูกพันอยู่พอเราไม่มีความจําได้แล้วมันก็ไม่มีความผูกพันครับการการที่จะให้ใจอยู่สตินี่ทําได้ทั้งวันหรือเปล่าครับทําได้ทั้งวันนะนะถ้าทำได้ยิ่งดี เวลาจิตมันมีความเศร้าขึ้นมาโยมรู้ทันลงไปเลยครับไม่ว่ามันน้าไม่ได้ไปเพ่งให้นิ่งคให้รู้ทันว่าจิตเหมือนเศร้าทุกครั้งที่มันนึกขึ้นมาผมจะตั้งสติแล้วเขาใช้ปัญญาพิจารณาไอ้นั่นเป็นวิธีเป็นอุบายครับเป็นอุบายเพื่อให้ใจสงบ ลองปรับวิธีนิดนึงถ้าหากมีแรงพอนะพอจิตเศร้าขึ้นมาให้รู้ว่าเศร้าเหมือนที่พระพุทธเจ้าสอนพลิกษูตรทั้งหลายเมื่อจิตมีโทสะให้รู้ว่ามีโทสะให้รู้เฉยๆครับนั่งดูไปเห็นความเศร้าเหมือนสิ่งที่แปลกปลอบเข้ามาในจิตฝึกอย่างนี้นะได้บุญแรงมากเลยครับแล้ ว, ลวการที่จะปฏิบัติให้แยกจิตออกจากขันห้านี่ต้องใช้เวลานา น, นไหมฮะไม่นานนะไม่นานนะครับค่อยๆฝึกเอา <ผ>พยายามมีสติรู้กายรู้ใจสบายๆรู้อย่างสบายนะ<ผ> ม, มันเป็นบทเรียนบททดสอบเราแต่หลวงพ่อชมนะของ ค, คุณเนี่ยใจแข็งจริงรๆไม่ธรรมดานะางนั้นสิ่งที่ฝึกฝนอบรมมาช่วยคุณได้เยอะเลยตอนนี้ดีนะครับเพ<ด>ราะลูกชายคนนี้ผมแบบไปทำบุญกับเขา น, านานมากหลายปีแล้วเขาบทเรียนแล้วด้วยดีแล้วแหละเขาจะได้ไม่น่าห่วง ก็เข้าสนใจทําความดีครับเาก็เคยบวชเรียนมาแล้วก็ฝึกธรรมะที่แล้วก็ไปทําบุญทุกอย่างที่เขาอยากทำก็ดีแล้มีชีวิตที่ไม่สุนปลแล้วก็เขาชีวิตเขาอยู่ในในในศีลแล้วก็เขาก็าสำรวมกายวาจาตลอดอเขายังเตือนพ่อแม่เลยว่าบางครั้งแบบพ่อจ่าแบบไม่สำรวมอะไรเงี้ยเนี่ยเดือยไหมจิตระเบิดบานหรือว่าเบิกบานนะครับถ้างั้นไม่น่าห่วงเขาหรอก ถ้าเขาภาวนาของเขาเขาปฏิบัติของเขามาขนาดนั้นอย่าไปห่วงเลยรเราพัฒนาตัวเราดีกว่าเอาเบอร์ส0สิบอยู่ที่ไหนเบอร์สามสบยกมือนมันส ก, การหลวงพ่อค่ะ อ, อ, อยากจะเรียนถามว่าพอดีว่ามีอาชีพเกี่ยวกับทำงานเกี่ยวกับโรงแรมอะค่ะไม่ทราบว่าตัวนี้มันจะทำให้เรา ปฏิบัติได้ไม่ดีอะไรอย่างนี้ไหมคะไม่เกี่ยวหรอกนะเราก็พยายามมีสติไป <c oughs> ทํางานมันไม่ใช่มิจฉาชีพก็พไม่เป็นไรหรอกแต่ว่าก็ <c oughs> ก็กกมีแบบห้องอาหารนะคะ <c oughs> สถานบันเทิงอะไรอย่างนี้คะ่ะแล้วก็ทําไปตามหน้าที่ของเราเราก็เจริญสติไปเรื่อยๆแล้วก็ไม่ทราบว่าเราจะหมายถึงตัวเองอะคะ่ะจะต้องมี วิหารธรรมอะไรบ้างคะตรงนี้ก็อย่างใจเรามีความเครียดขึ้นมานะเราก็รู้ทันมันใจเราเป็นยังไงเราก็รู้ทันมันไปเรื่อยๆรรู้ทันใจของเราบ่อยๆ่แค่นั้นก็พอแล้วต้องมีอะไรเป็นตัวแบบเป็นตัวตั้งว่าทุกวันเราแค่แค่ว่ายพระสวดมนต์อะไรเงี้ยนะ แล้วเราก็คอยรู้ทันใจเราไหว้พระลราใจหนีไปคิดก็รู้ใจไปเพ่งไว้ก็รู้ใจเป็นยังไงก็คอยรู้ซ้อมรู้ใจทุกวันถ้าเราซ้อมรู้ใจบ่อยๆแล้วในชีวิตประจำวันเนี่ยใจเราขยับเยื่งเคลื่อนไหมวเราคอยรู้สึกเอานะเอาคุณดูได้อยู่ไปดูเอานะอเบอร์ที่สิบสองอยู่ที่ไหนกราบน้ำมศการหลวงพ่อค่ะเพิ่งได้เคยมาที่นี่ครั้งแรกนะคะปฏิบัติตามซีดีของหลวงพ่อแต่ว่า ไม่ทราบว่ามันใจมันนิ่งๆมันดูไม่ค่อยชัดนะคะหรือไม่ทราบว่ารู้ไม่ชัดเรารู้ว่ารู้ไม่ชัดรู้ไม่ชัดรู้ว่ารู้ไม่ชัดไม่ต้องอยากชัดนะมัวมัวรู้ว่ามัวมัวมีความสุขรู้ว่ามีความสุขดูไม่รู้เรื่องรู้ว่าไม่รู้เรื่องอยากจะรู้เรื่องรู้ว่าอยากแค่นี้เองแล้วตอนนี้ไม่ทราบที่ปฏิบัติตามภาวนามาใช้ได้นะใจก็ดีขึ้นตั้งเยอะแล้วดูออกเปล่า รู้สึกไหมสบายกว่าเก่าค่ะยมดูไปนะแล้วจะมีความสุ ข, ขบเบอร์ 63, 63ยกมือกลับนมัศการหลวงพ่อครับตอนนี้หัวใจเต้นแรงมากดีแก้หนาวครับ อ, อ, อยากขอคำแนะนำครับว่าที่ปฏิบัติมาเนี่ยอย่าไปกดไว้นะครับของคุณภาวนามันยังเพ่งอยู่ครับให้รู้เล่นปล่อยให้กายทางานแล้วเราตามรู้ปล่อยให้ใจทำงานแล้วเราตามรู้ อย่างบังคับอย่างบังคับอยู่แล้วว่าเดินจงกรมอะครับเดินจงกรมก็เดินเล่นเห็นไหมหลวงพ่อมีแต่เรื่องเล่นเล่นทั้งนั้นเลยครับนั่งก็นั่งเล่นนอนก็นอนเล่นคแค่มีสติเท่านั้นครับหลวงพ่อภาวนานะครา้แรกเลยที่ภาวนาเป็นนะนั่งกอดเข่าครั้งที่สองนะนั่งรถตัวนั่งกว๋วยห้างด้วยอีกทีหนึ่งนอนกระดิกเท้าอยู่ สติเกิดอีกทีหนึ่งนั่งชมนกชมไม้นั่งเก้าอี้นั่งชมนกชมไม้นะธรรมดาที่สุดส่วนการทำในรูปแบบอะไรเ น, นี่ยเราก็ทำเป็นเครื่องอยู่ให้จิตใจมีเรี่ยวมีแรงนะเวลาเราจเจริญสติในชีวิตประจำวันเราก็ไม่ไปบังคับไว้ปล่อยให้มันทำงานตามรู้ตามดูเล่นๆไปตอนนี้ปล่อยได้มากกว่าเมื่อกี้ดออกไหม เน่ปล่อยอย่างนี้แล้วใครรู้ยังมีประคองอยู่นิดๆ น, นะตอนนี้ประคองแรงขึ้นละปล่อยให้เป็นธรรมชาติที่สุดดีที่สุดเบอร์เจเจอยู่ที่ไหนกล่าวนวัตการค่ะ ต, ตอนแนรกธรรมชาติไหมอตอนตอนนี้ก็ดีขึ้นกว่าแต่เมื่อกี้อะค่ะมเมื่อกี้มันจะติดๆค่ะอตอนนี้รู้สึกเบาๆแต่ก็มีหลงเป็นแวบๆบแบบค่ะเบาขนาดนี้ยังประคองอยู่ดูออกไหม ยังไม่เป็นธรรมดายังมีการรักษาอยู่มีการประคองคปล่อยซะแล้วตามรู้อย่างที่เขาเป็นไม่บังคับนะรู้สึกไหมบังคับอยู่รู้สึกค่ะเออรู้ทันอย่างนั้นใช้ได้เอรเจ็ดสิบอยกมือครับเพเริ่มฝึกปฏิบัตินะครับหลวงพ่อทีอ น, นี้พอตามรู้จิตอย่างที่หลวงพ่อบอกไอ้ที่กิเลสที่มันมัน ที่มันเคยเกิดขึ้นมามันมันมองไม่เห็นนะครับมันเหมือนมันหยุดไปเลยผมไม่น่าจะเาผมเพ่งหรือเปล่าถ้าเราเพ่งไว้มันก็เงียบเงียบนะเราต้องทำตัวสบายๆเนื้เอเผลอๆกันกิเลสนะมันมีสารพัดเลยเช่นความโกรธความโลภความหลงอะไรนี้กิเลสทั้งนั้นนะรู้จักหลงยังใจลอยรู้จักใจลอยไหม ใจลอยรู้จักครับเพราะฉะนั้นต่อไปนี้ใจลอยแล้วรู้ใจลอยแล้วรู้นะใจลอยนั่นแหละหลงละเป็นกิเลสตัวหนึ่งเพนะราะฉนั้นไม่ใช่ว่ามันจะต้องมีกิเลสหยับหยับให้ดูตลอดเวลานะบางครั้งเราหัดภาวนาอยู่เจริญสติอยู่กิเลสไม่มีกิเลสหยาบหยับให้ดูแต่มีกิเลสละเอียดอย่างตอนเนี้จิตหลงไปคิดและทราบไหมทราบครับนะจิตไปคิดเราไม่รู้ว่าไปคิดเนี่ยเรียกว่าหลงละนะ คำว่าหลงคำว่าโมหะนไม่ใช่หลงทางหลงอะไรหรอกคำว่าโมหะเนี่ยหมายถึงว่าจิตใจเราไม่สามารถรู้สภาวะที่กำลังปรากฏได้อย่างตอนนี้รู้สึกไหมตั้งใจฟังหลวงพ่อแต่หลงหลงตรงไหนหลงตรงที่ลืมกายลืมใจตัวเองรู้สึกไหมอันนี้ก็ลืมกายลืมใจไปหัดเอานะไปดูเอาใจหลงแล้วรู้หลงแล้วรู้คุณฝึกไม่ยากหรอกพื้นฐานของคุณดี เบอร์ห้าสิบหนึ่งห้าสหนึ่งอยู่ระวังหัวใจวายไปนะเบอร์ห้าสิบหนึ่งใกล้ละกราบขอโอกาสหลวงพ่อครับครับพอดีวันนี้ก็มีอยู่2เรื่องครับคือเรื่องหนึ่งก็คือมาส่งกันบ้านตัวเองครับแล้วก็เรื่องที่สองคือพาแม่ยายมาส่งกันบ้านด้วยครับแลนะ้โอ้ยน่ารักอย่างเลย <c oughs> ไหนแม่ยายอยู่ไหนขอชมหน่อย โอ้โหนี่ลูกเขยในอุดมกติหาแม่วัา แ, แม่ใหญ่มาวัดบางคนนะหลวงพ่อเคยรู้จักเมียขี้บ่นเมียนะจู้จี้ขี้บน่นเอาแต่ใจหงุดหงิดนะสามีขึ้นรถมาทีไรก็จะ บ, บน่นตลอดทางด้านหลังก็มีไม้ตายกขขึ้นรถก็เปิดซีดีหลวงพ่อเมียไม่กล้า บ, บน่นกลัวจะเถียงกับพระสามีนะโอ้ภรรยานึกว่าสามีเนี่ยสนใจธรรมะมา ก, มาก จริงเป็นเครื่องมือทําให้เมียเลิกพูดดะงนั้นคนไหนนะมีแม่ยายพยายามพามาภาวนานะแม่ยายจะได้ไม่บน่นนะคนนี้เป็นไงแม่ยายนี่ใจดีไหมก็เมื่อก่อนก็เปิดซีดีของหลวงพ่อให้ฟังครับแม่ยายก็จะเปิดทีวีแข่ง<อ>ครัแต่เดี๋ยวนี้ก็พอไม่เปิดแม่ยายก็จะถามว่าทําไมไม่เปิดอะไรนะครับเวลานั่งรถ ส่วนมากก็จะจะเปิดให้ฟังครับพาไปซื้อของพาไปอะไรอยงี้ครับโยมแม่ยายอ่ะรู้สึกไหมใจเราเปลี่ยนไปรู้สึกไม้มใจเรามีความสุขขึ้นใจเราโปร่งโปร่งขึ้นดูออกไหมตอนเนี้ใจมันโปร่งกว่าแต่ก่อนนะแลว่าเมื่อไรจะเป็นอยังฝึกไม่เป็นไม่เป็นไม่เป็นไร <laughs> ใจเรามีอะไรเกิดขึ้นเราก็รู้เช่นเราโมโหขึ้นมาเราก็รู้ว่าโมโหนะเราสบายใจก็รู้ว่าสบายใจอย่างตอนเนี้มันตื่นเต้นรู้สึกไหมมันตื่นเต้นเราก็รู้ว่าตื่นเต้นหัดอย่างนี้แหละหัดรู้ทันตัวเองเรื่อยๆนะแล้วเดี๋ยวดีเองแหละรู้ทันตัวเองบ่อยๆนะชาดในีทางชาติจะเป็นไหมเนี่ยเป็นทําไมจะไม่เป็นล่ะอย่างตื่นเต้นรู้ว่าตื่นเต้นนั่นแหละภาวนาเป็น โมโหรั่ว โ, โมโหน ะ, ะก็เรียกว่าภาวนาเป็นดีใจเสียใจพอรู้ทันใจของเราเรื่อยๆแต่อย่าไปจ้องมันนะจ้องแรงไปอย่าไปจ้องไว้ถอยขึ้นมากระดุกกระดิกไว้เออต้องอยู่ตรงนี้ไม่ใช่อยู่อย่างตะกี้อ ย, อ, อยู่ข้างนอกนี่ไม่เข้าไปอยู่ข้างในเาเบอร์เท่าไหร่เบอร์ยี่เียครับผมยังไม่ได้ส่งของผมเลยครับ ที่ประชุมอนุญาตไหมเอาสิทธทิของตัวเองไปให้แม่ยายอ่าที่ประชุมต้ออนุญาต่ะเชิญครับผมก็วันนี้ก็รู้สึกเพ่งไปแล้วก็หลงไปนะครับ <c oughs> แล้วก็บางช่วงเนี่ยเขาเขารู้สึกตื่นขึ้นมาแล้วคราวนี้เขาก็จะบางบางทีพอพอเขารู้สภาวะขึ้นมานะครับบางทีสภาวะนั้นมันดับไปแต่ว่าบางทีเขาดูไม่ทันเขาก็ไป ควานคะมันใหญ่ควานก็รู้ว่าควานเนาะครับผมที่ภาวนาอยู่ใช้ได้นะภาวนาดีขึ้นเยอะเลยครับแล้วก็อยากจะถามหลวงพ่อนะครับว่ามีคนประเภทไหนบ้างครับที่เขาจะไม่สามารถตื่นได้บ้างนะครับไม่สามารถตื่นครับผมพวกที่หลวงพ่อเจอนะไม่พูดตามตํารานะพวกหัดื้อเอาแต่เพ่งเอาเพ่งเอานะพวกนี้กี่ชาติก็ไม่ตื่นหรอก แล้วคนที่ทําอนันตริยะกรรมเนี่ยครับเขาสามารถดูจิตแล้วเขาสามารถตื่นได้ไหมครับได้แต่บรรลุมรรคผลไม่ได้โคตรเรื่องกันนะเมื่อเขาสะสมได้อย่างสูงว่าเป็นพระปรารชิกเนี่ยเป็นพระปรารชิกนะต้องขาดจากความเป็นพระมาบวชเนรอย่างได้เลยบวชเนรแล้วก็ภาวนาไปมีสติไปอะไรเงี้ยแต่มันไม่บรรลุมรรคผลเท่านั้นแนหะครับผมเพราะว่าฟังซีดีของหลวงพ่อแผ่นที่26นะครับแล้วก็เกิดความรู้สึกกลัวขึ้นมานะครับเพราะว่า แม่ของผมนะครับท่านเส้นเลือดในสมองแตกนะครับแล้วก็หมอก็บอกว่าสมองตายแล้วหัวใจหยุดเต้นแล้วเลยครับแต่ว่าก็ยังให้สายออกซิเจนอยู่อะไรเงี้ยนะครับก็เลยก็เลยกลัวตรงเนี้ยครับวิกกลัวทําไมล่ะก็พอฟังซีดีที่หลวงพ่อบอกว่าอาจจะทํนาอนันตริยกรรมโดยไม่มไม่รู้ตัวนะยยังไม่ตายยังไม่ตายนะถ้าตายไปแล้วก็แล้วกันไป กัจริงง่ายนิดเดียวนะถ้าจิตเขาเกิดจุติแล้วนะแล้วก็ปฏิสนธิในภพใหม่อันนี้ตายแน่นอนร่างกายอาจจะยังไม่ตายนะแต่จิตไปเกิดแล้วร่างกายเป็นแค่เนื้อเยื่อที่เขาปั๊มไว้เฉยๆก็ ถ, ถือว่าตายแล้วแต่ถ้าถามใจจริงๆใจใจเขาก็ไม่ไม่ได้อะไรม่<อ>แต่ว่าคุณไม่ได้เป็นอนันตริยกรรมจิตม<า>ไม่ได้มีตัวนี้อยู่เลยครับอาเบอร์27็ ฉันมาถามตรงนี้แหละแล้วก็อ้อมอ้อมคลอมคล อ, อมอ้วนวัตสการครับผมเพิ่งเคยมาครั้งแรกครับจะสอบถามหลวงพ่อว่าผมเหมาะกับการดูจิตปะบเหมาะหลวงพ่ อ, อยังไม่เห็นคนไม่เหมาะเลยเราเรื่องอะไรเราจะไม่ดูจิตตัวเองอะถ้าเราไม่ดูแลจิตตัวเองจิตเราก็เที่ยวร่อนเร่สเปสสปะหาเรื่องเดือดร้อนใส่ตัวเองไปเรื่อยๆเราคอยรู้ทันจิตนะจิตใจจะค่อยๆมีความสุขมากขึ้นเรื่อยๆเรื่องอะไรจะไม่ทำนะํำละ งั้นหัดดูไปเรื่อยๆนะแต่อย่าไปเพ่งมันถ้าเพ่งเราอึดอัดงั้นภาวนาเราอึดอัดแสดงว่าทําผิดต้องภาวนาแเราสบายๆดูเล่นๆไปนย่าตอนตะกี้เนี้ยใจลอยไปบูบหนึ่งดูออกไหมใจมันหนีไปแล้วมีข้อนะครับคือว่าถ้าผมตอนบริกรรมพุทโธครับและนี้จิตจิตไปคิดใช่ไหมครับแล้วก็ยังไม่รู้ครั บ, บางครั้งยังไม่รู้แล้วก็มาพุทโธอีกทีแล้วค่อยรู้ครับใ ช, ใช้ได้ใช้ได้รู้เมื่อไหร่ก็ใช้ได้เมื่อ น, นั้นนะจะห้ามมันไม่ให้หนีไปคิดไม่ได้นะ เราภาวนาเนี่ยไม่ใช่เพื่อบังคับจิตแต่เพื่อให้เห็นความจริงของจิตจิตเป็นอนัตตามันอยากจะไปคิดมันก็ไปห้ามมันไม่ได้หรอกเพราะงั้นเราภาวนาแล้วจิตหนีไปคิดรู้ว่าจิตหนีไปคิดก็ใช้ได้ล้วถ้าภาวนาแล้วจิตไม่หนีไปไหนเลยนั่นต้องเพ่งไว้แน่นอนเลยใช้ไม่ได้ครับอย่างผมนี้ยังเพ่งอยู่ป่ะครับมีนิดหน่อยไม่มากนะอร้อยสี่เจยกมือไว้นมัสการหลวงพ่อครับ ตอนนี้ตื่นเต้นครับก็มีกฎประคองนิดหน่อยฮะถูกต้องเลยครับครั้งสุดท้ายที่มาส่งกันบ้านหลวงพ่อบอกว่าผมให้ผมพยายามอย่าเกลียดอกุศลอะไรนะให้พยายามอย่าไปเกลียดอกุศลกุศลกับอกุศลเท่าเทียมกัน<อ>ก็ลองไปพิจรารณาดูก็พบว่าตัวเองเกลียดเข้าวไส้ครับได้รู้ทันนะครับแล้วแต่ว่าก็คิดว่าตอนนี้ เราก็รู้ทันมันมากขึ้นนะครไม่ทราบว่าตอนนี้ผมเป็นกลางมากขึ้นหรือยังครับยังก็ยังเกลียดอกุศลอยู่ใช่ไหมยังเกลียดอยู่นะแต่ว่าเบาลงยังยังไม่เป็นกลางทีเดียวยังไม่ชอบอันนะครับตอนนี้ทำไมต้องกดเอาไว้ล่ะผมนะครับก็กลัวฟุ้งซ่านเกลียดอกุศลไหมใช่ครับนะยังเกลียดอกุศลอยู่ ถ้ายังกดอยู่นะแสดงว่ายังเกลียดอกุศลเยู่แต่ว่าเคยมีอยู่บางครั้งที่ในในบางครั้งเวลาที่ผมไปเดินเดินจงกรมนะคร บ, บางครั้งมันก็รู้สึกว่าเอ๊ะถ้าเกิดเราปล่อยจิตใจให้เหมือนกับก่อนที่เราจะรู้จักการภาวนาแล้วเราก็เราก็รู้เอาว่าเรามันเกิดอะไรขึ้นมันมันจะรู้สึกโล่งโล่ง่งโใช่ใช่พูดภาวนาได้ดีขึ้นเยอะเลยนะ ใจของคุณมันคลายอาอกจากการเกาะเอาไว้แล้วปล่อยให้เขาทํางานเนะี้ยดูไปอย่างนี้แหละรู้สึกไหมสบายบต้องสบายแล้วนยะี่สบเอ็กั บ, บน้ัปการหลวงพ่อครับมาขอแนวปฏิบัติครับอย่าบังคับนะองโยมยังบังคับอยู่แต่ว่าไม่มากหรอกใจมันเริ่มคลายตัวออกมาแล้วใช้ได้ปล่อยให้มันทํางานแล้วตามรู้เล่นๆอย่างกดไว 12บกราบน้ำพระสกสารหลวงพ่อครับคือมาส่งการบ้านในรอบ3เดือนครับ <Ừ. S 2> ตอนนี้รู้สึกจิตมันกดนิดๆถูกต้องไหมครับถูกต้องนะแล้วก็ยังอยู่ในร่องในลอยไหมครับอยู่สิ <laughs> แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งเรื่องคุณยายนะครับคือเป็นเส้นเลือดในสมองตีบแล้วก็เป็นทุกทางกายเยอะมากผมก็คอยเปิดซีดีหลวงพ่อให้ฟังอยู่บ้าลงลยไม่ลำคาญไหมเรียนฟั ง, งเออไม่ลำคานครับเออถ้าไม่ลาคาญเปิดได้ถ้าลาคานอยวไปเปิด แล้วก็มีอะไรที่ช่วยคุณยายให้ไข้ทุกได้เพิ่มอีกบ้างไหมครับต้องภาวนาตั้งก่อนป่วยป่วยแล้วทํายากแล้วตอนนี้แค่คอยระวังอย่าให้ใจเขาเป็นอกุศ ล, ลนะนะครับหรือเราทำอกุศลอะไรมาเราก็ไปเล่าให้เขาฟังถ้าเขาชอบนะบแต่ถ้าเขารําคาญก็อย่าไปยั่วครับแล้วอย่าไปเคี่ยวเข็นเดี๋ยวโทสะเกิดคนเจ็บป่วยนะพร้อมจะมีโทสะอยู่แล้วให้เขาสบายใจไว้ เขาเคยภาวนาไหมเออผมก็คอยเปิดซีดีก่อนที่ไม่สบายอยู่บ่อยๆนะครับ mm hmm. แต่ผมก็ไม่รู้ว่าภาวนาเป็นหรือเปล่าครับ mm hmm. แล้วของผมมีอะไรต้องปรับปรุงอีกบ้างอย่า บ, บังคับแม่ยังเพ่งอยู่นะครับ<ะ>ดีขึ้นเยอะแล้วแต่เหลือกดเอาไว้หน่อยเดียวเบอร์38มสปอยู่ไหนอ๋ออยู่นู่นนั่งเก้าอี้กับนวัสการหลวงพ่อจ้คะเอ่อเจนเป็นยังไงคะตอนนี้ โนะยมเป็นยังไงคะโยมบังคับไว้นิดหน่อยนะรู้สึกไหมเราไปกดมันนิดๆต้องปล่อยให้เขาทำงานแล้วเราตามดูเขาเล่นๆเราดูร่างกายนี้เหมือนเราดูร่างกายของคนอื่นเราดูจิตใจนี้เหมือนดูจิตใจคนอื่นนะเห็นใจมันโลบใจมันโกรธใจมันหลงใจมันฟุ้งซ่านใจมันหดหู่ใจมันเป็นยังไงเรารู้ลูกเดียวเลยดนะูเล่นๆดูเหมือนดูคนอื่นนะอย่างตอนนี้จิตของโยมหนีไปคิดโยมดูบม จิตนี้ไปคิดรั่วไปคิดไม่ห้ามนะไม่ห้ามโยมมีความรู้สึกว่ามีผู้ดูอยู่ใช้ได้ไ้ยคะผู้ดูของโยมเนี่ยมันนิ่งเกินไปเราอย่าให้มีตัวผู้รู้ผู้ดูอยู่ตลอดเวลามีก็มีไม่มีก็แล้วไปเกิดเกิดดับดับได้ถ้าเราพยายามประคองตัวผู้รู้ไว้ตลอดเวลาจะกลายเป็นการเพ่งมั้เป็นการเพ่งบุรุ้หลวงพ่อเคยเป็นนะ อย่างที่ยอมทำเนี่ยหลวงพ่อเคยเป็นพ่อคเคย<ม>เป็ผู้รู้อยู่แล้วติดอยู่นานเป็นปีเลยเจ้ค่ะค่อยๆปล่อยอย่างตอนนี้มันเป็นผู้คิดดูอ่ะไหมะค่ะเนี่ยผู้รู้ดับไปเป็นผู้คิดเป็นผู้คิดแล้วก็เกิดผู้รู้มารู้ว่าเมื่อกี้ไปคิดรู้เล่นๆของยอมรู้จริงจังไปนิดหนึ่งะะให้สบายกว่านี้อ่าเบอร์หนึ่งหนึ่งเจ กราบนมัสการหลวงพ่อค่ะคือหนูไม่เคยส่งการบ้านเลยค่ะไม่ทราบว่าที่ทําอยู่นี้เป็นยังไงมากน้อยใช้ได้นะก็ดีขึ้นแล้วล่ะแต่ตอนนี้มันตื่นเต้นก็เลยไปกดเอาไว้ดูออกใช่ไหมเห็นไหมใจเราเคลื่อนไหวตลอดวันดูเป็ดแล้วนะค่ะดูแปลงดีแล้วขอบคุณค่ะแต่ไม่บังคับมันนะดีก็ได้ไม่ดีก็ได้ดีมันก็อยู่ชั่วคราวแล้วก็หายใช่ไหมร้ายมันก็อยู่ชั่วคราวแล้วก็หายมันเท่ากัน่ดูไปเรื่อยๆปีแต่เกิดแล้วดับ เบอร์ห้6เชิญยกมือนมัสการหลวงพ่อครับเออผมรู้สึกตอนนี้ช่วงนี้ภาวนาไม่ค่อยดีฮนะไม่ค่อยเห็นกิเลสอะไรเห็นเห็นคิดเห็นอะไรบ้างแต่ก<ห>็<ผ>มไม่น ร, รู้ว่าท่นานรู้ทันว่าใจคิด<ะ>ขณะที่ใจไปคิดนะ่ะมันมีโมหะละหลงมันฟุ้งซ่า<ะ>นกะ็ให้รู้ว่าใจมันหนีไปคิดรู้สึกสเปสปะไปหน่อยฮนะ ไปกดเอาไว้ไปกดไว้ไม่มีอะไรให้ดมูมีกดอยู่ใช่ไหมไปกดไว้มันเลยนิ่งๆไม่มีอะไรให้ดูเ <มา S 1> ท่าไหร่นิ่งนๆไปเพ่งไหมปล่อยซะไม่ดีก็ได้ทอกไหมขอบคุณครับเบอร์129เชิญยกมือออกอยู่ข้างหน้าอ้าวชาวเชียงใหม่มาหลายคนเลยดูสินั่งเนี่ยมาเห็นนะเวลามองโยบนะไม่ได้ดูหน้าหรอกไม่เห็นหน้าเท่าไหร่ ส่วนมาไปดูใจเรียกว่าดูใจกันการนมัสการกับหลวงพ่อไม่ทราบที่หนูฝึกอยู่ถูกหรือเปล่าก็รู้สึกมันเซ่อเซ่อซาซาใจมันเจ้าออกข้างนอกนิดหนึง่ง <c oughs> ใจไม่ตั้งมั่นมันไปอยู่ข้างนอกสบายสบายไปอย่างนั้นแหละรู้สึกไหมมันไม่ทวนเข้ามามันไม่ทวนเข้ามาที่ตัวรู้ที่ใจของเราให้รู้ทันว่าจิตไม่ตั้งมั่นจิตไม่ทวนเข้ามาที่จิต จิตยังอยู่นอกๆให้รู้อย่างนี้นะเดี๋ยวมันเข้ามาเองคเบิกเดี๋ยวขอตรวจกันบ้านคนเชียงใหม่ก่อนเบอเก้าสิบห้าคือครั้งนี้ที่ไปกลับบ้านไปนะคะก็พยายามที่หลวงพ่อบอกว่าให้ดูว่าเป็นผู้อื่นก็พอเดินเดินไปก็จะรู้สึกว่ามีความสุขเกิดขึ้นในใจลึกๆอลึกๆแล้วก็เวลาเดินก็เบาๆใช่ค่ะ นั่นแหละภาวนาดีเห็นไหมกายนี้ใจนี้ไม่ใช่ตัวเราหรอกเป็นตัวไหนก็ไม่รู้ไม่ใช่ตัวเราดูมีความสุขค่ะมีความสุขภาวนาดีนะจิตถูกเป๊ะเลยแล้วอีกเรื่องหนึ่งคือได้มีโอกาสไปปลีกวิเวกข้างนอกนะคะนอกบ้านห้าวันพอกลับเข้ามาก็รู้สึกว่าใจมันเปลี่ยนเปลี่ยนตรงที่ว่าเคยโกรธคน แล้วเขามันไปสงสารเขาแล้วก็รู้สึกว่า อ, อยากจะพูดดีกับเขาแต่ว่าไม่ใช่เป็นการคิดนะฮะเขาเกิดขึ้นเองในใจดีด<ะ>แล้วยังรู้สึกไหมมีเราหรือไม่มีไม่ไม่ได้สังเกตไปดูน ะ, ะมีความรู้สึกเป็นเราผุดขึ้นมาไหมในใจไปดูน ะ, ะออนาเก่งๆให้ดูตัวนี้เบอยี่สิบหกเดี๋ยวนะที่เหลือยังทันอยู่ จริงๆแล้วโยมอยู่กรุงเทพเจ้าค่ะแต่โยมไปฏึงบานที่กรุงเวเปล้มากับเขาค่ะโยมก็อยากจะกราบเรียนถามหลวงพ่อตอนนี้เป็นยังไงบ้างเจ้าค่ะท่านี้กดไว้นิดหน่อยแต่ว่าภาวนาดีขึ้นนะไปไปกดมันปล่อยซะเอาโยมแต่กี้เนี้ยถล่ไปแล้วส่งจิตไปดูไม่ได้ดูจิตชิรพันธ์อยู่ในทีมเชียงใหม่กับเขาด้วยโนว่า ตอนนั่งอยู่ที่นี่ก็เห็นบางครั้งเราก็ผูดขึ้นมาบางครั้งก็ไปจ้องไปเพ่งนะบางครั้งก็ธรรมชาติบางครั้งก็ถลํ่มแต่เวลาหนูไปอยู่ที่บ้านเนี่ยหนูออกไปทํางานสอนลูกศิษย์เนี่ยหนูไม่ชอบลูกศิษย์เลยเพราะว่าความอยากมันกระจายเต็มห้องอแต่เขาไม่รู้ว่าหนูโถเข า, า, เขาไม่ได้ถ้าเขารู้เดี๋ยวเขาก็บรรลุมักผลกันหมดสิ เด็กเขาไม่มาเรียนดนตรีหนูว่าสอนแล้วหนูแบบไอ้อความที่เราเจอเด็กเนี่ยอันทำให้เรารู้ว่าเด็กแบบไหนเนี่ยเดินเส้น<ต>ปันานดูออกขึ้ายังเด็กไม่ใช่ผ้าขาวบริสุทธิ์ไม่ใช่นะแต่หนูว่าสงสารตัวหนูเองคือหนูไม่รอดไงเฮ้ยรอดเราดูเด็กไปอย่างนะั้นน่ะใจเราก็สลดสั่งเวท แล้วมัภาวนาดีขึ้นเยอะแล้วจิระมันมีอยู่ครั้งหนึ่งเป็นบทเรียนที่ทําให้หนูเวลาไปสอนเด็กหนูจะไม่บอกใครว่าหนูแบบเข้าวัดเพราะว่าหนูเคยไปสัมผัสจิตเด็กได้อะเด็กอสภาพจิตของเขาอ่ะเหมือนเมากัาชาสิ่งเสพติดแล้วหนูไปบอกกับแม่เขาไ้เขาว่าเออพาลูกเข้าวัดนะ เขาไม่เชื่อหนูก็เลยตัดสินใจว่าต่อไปเนี้จะไม่บอกอะไรใครคืออย่างนี้ไม่ใช่บอกทั่วๆไปแล้วบอกกับคนที่สมควรบอกต้องเลือกแต่ ไ, ไม่ไม่ใช่ตั้งปณิธานว่าไม่บอกเลยเจอคนควรบอกก็บอกเจอคนซึ่งเขาไม่รับแน่ๆนะเราก็เฉยๆซะดีกว่าตอนนั้นที่หนูบอกเพราะว่าหนูไอ้สิ่งที่สัมผัสได้อ่ะ หนูร้องไห้ออกมาไงะเพราะว่ากระแสมันเข้ามาถึงจิตเราแล้วเราสงสารเด็กแค่อายุสิบสองสิบสาเราดูของเราไปนะอย่าให้มันครอบงำจิต อ, อันนั้นมันถูกครอบงำนะอเอาอารมณ์ภายนอกมาครอบงำ อ, อาคุณบัณ์พจนี่ก็เชียงใหม่ครับกราบนัวัชการครับหลวงพ่อโยมมาคราวนี้ก็คือ ปัญหาไม่ค่อยมีเพ่อยอมก็ปฏิบัติยมไปเรื่อยๆเวลาแป๊ บ, บนึงของยมรู้สึกไหมเวลาเราดูนะเราส่งจิตไปดูดูออกไหมเราเอาจิตเนี่ยส่งไปแล้วไปดูอยู่โน้นเราก็ดูไปเรื่อยๆเราคิดว่าดูจิตอยู่ความจริงส่งจิตไปดูนะจิตไม่ตั้งมัน่นจิตไหลไปดูให้รู้ทันตรงนี้นะตัวนี้สําคัญนะอ่ะครับก็ปัญหาของยมก็ไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่เลยครับท่านพ่อเพียงแต่ว่า เออก็ดูมันแล้วมันเมื่อสักครู่ลองสังเกตใจดูก็มันมันตื่นเต้นโดยที่เราบังคับไม่ได้ก็ ด, ดูมันไปงั้นนะครับท่านแต่ตอนนี้ไปบังคับมันแล้วครับครับโ อ, อ้เก่งนะรู้ว่ากลัวเสียหน้าอย่างเงี้ยหลวงพ่อชอบ ม, มากเลยรู้ทานกิเลสเราใส่ฐานหมดฐานหมดคนเชียงใหม่มากี่วัน สี่วันเหลืองั้นที่เหลือไว้ก่อนให้คนภาคอื่นบ้างเบอร์ร้อยอยู่ที่ไหนร46จิตเป็นยังไงดูออกไหมจิตมัวมัวจิตเป็นยังไงดูออกไหมมั ว, ม, วมัวดูไม่ค่อยรู้เรื่องเห็นไหมเหมือนมืน่นมือนอ่นเ ง, งี้ยเราก็รู้ไปเราอย่าไปเกลียดมันเราไม่ต้องอยากให้มันชัดนะอย่างตอนนี้ใจเราแอบไปคิดทราบไหม ใชเราไหลไปคิดเราก็รู้ของคุณมันไปกดจิตไว้นิ่งๆมันก็เลยซึมไปมเลยดูมัวมวเบลอๆไปไปบังคับจิตมากเกินไปนะจิตนะก็คล้ายๆเด็กอะ่ะถ้าถูกบังคับมากเด็กก็เสื่องซึมไม่ดนะีอย่าไปบังคับเขานะปล่อยให้เขาทำงานมีอะไรจะคุยอีกไหมร้อยไม่มีแล้วนะนะผ่านเบอร์ v 18นี่หลวงพ่อพูดเองเออเองเสร็จนวัสการหลวงพ่อครับ ปฏิบัติมา6กเดือนแต่เพิ่งรู้ไม่นานนี้ว่าผิด <c oughs> คือมันถล่มใบรู้น่านเก่งแล้วก็แต่สองสวรร์ น, นี้ก็ไม่รู้ว่าที่รู้ใหม่นี้มันถูกหรือเปล่าถูกแต่ตอนนี้กดเอาไว้ใช่ฮะกดแล้วก็เหมือนควานหาเออถูกต้องนะให้รู้ทันจิตนั่นแหละเรียกว่าดูจิตมไม่ใช่กวานควนแล้วไปเจออะไรแล้วก็ไปจ้องอยู่ตรงนั้นแล้วเรียกว่าดูจิตอันนั้นไม่ใช่แล้วจิตมันไหลไป อย่างตอนนี้จิตไหลไปแล้วรู้สึกไหมก็แค่รู้นะอย่าไปกดเบอร์ร1 8อยู่ข้างหลังเลยร1 8วันบวันๆนะหลวงพ่อเป็นพระที่ตรวจการบ้านเยอะมากเลยนะครูบาอาจารย์ท่านไม่ได้ตรวจเยอะขนาดนี้หลายๆวันจะมีสักคนไม่ทราบที่ปฏิบัติอยู่ถูกปะครับท่านยอมบังคับตัวเองแรงไปนะรู้เล่นๆรู้สบายๆจริงจังไป กลัวมันไม่ดีอะไรเงี้ยจริงจังไปรู<อ>เ้เล่นเนนอกจากนี้ต้องแก้ไขอะไรอีกไม่ไม่แก้นะหน้าที่ของเราทำวิปัสสนาเนี่ยจะไม่มีคำว่าต้องทำอะไรไหมต้องแก้อะไรไหมนะไม่มีคำว่าแก้ไม่มีคำว่าห้ามจิตใจเราเป็นยังไง ร, รู้ว่าเป็นอย่างนั้นตอนนี้จิตไปคิดทราบไหมทราบครับจิตไปคิดรู้ว่าไปคิดข้อคุณมันติดเพ่งนะ่ะต้องปล่อยให้ผ่อนคลายวันนี้นะครับปล่อย การเพ่งไว้จะทำให้ร่างกายจิตใจนี้ไม่แสดงไตรลักษณ์มันจะนิ่งนิ่งไม่มีอะไรให้ดูก็ลปล่อยแล้วเราจะเห็นมันทำงานตลอดเวลาอย่างตอนนี้ใจของคุณเริ่มไปคิดดูออกไหมนิดหนึ่งครับออนะใจมันไหลไปเรารู้ว่าใจไหลไปคิดไม่ห้ามไม่ดึงเอาไว้นะเบอร์5้การนอสการครั บ, <57. S 2> รบถ้าจิตมันตั้งมั่นนะครับตอนนี้เนี่ยพอได้ยินเสียงมันก็จะคิดว่าก็จะตามเห็นทัน แล้วก็ได้ยินอีกก็คิดอีกมันไปอย่างนี้เรื่อยๆทีๆทีๆทีๆทีตลอดแต่ถีมากนะใจฟุ้งซ่านหรือว่าฟุ้งซ่านมองภาพรวมเลยครับแต่ตอนนี้เนี่ยดูอะไรไม่ออกครับดูไม่ออกดูออกสหบดูออกว่าดูไม่ออกเพราะว่าอยากอยากจะเป็นเหมือนเดิมอยากจะดีเหมือนเดิมยิ่งอยากยิ่งไม่เห็นอะไรเลยครับตอนนี้ก็เห็นอยากไงครับใช่ไหมมันมีให้ดูตลอดเวลาแหละแต่เราคิดว่าไม่มีมันมีอย่างใจมันมัว โอ้หมูนี้มัวจังเลยดูไม่รู้เรื่องไม่ไม่รู้เรื่องแล้วรู้ว่าหมัวได้ยังไงเห็นไหมแค่หมัวก็รู้ว่าหมัวก็รู้เรื่องแล้วอยากรู้ว่าอยากก็ใช้ได้แล้วคุณภาวนาดีนะช่วงหลังๆอ่ะได้อีกสองคนมีไหมนูนอยู่ทางโน้นสองคนพอดีที่เหลือหมดสิทธิ์อ่ะทางนี้กันก็นได้แล้วเดี๋ยวโยมนั่งพิงเสาทางโน้นของหนูนี่ หนูจะเหมือนกดๆว่าคะใช่ใช่หนูรู้นี่แล้วหนูไปกดมันทําไ ม, ไมหนูรู้สึกไหมมันกดเองเห็น<ะ>ไหมเราไม่ได้เจตนามันกดได้เองดออกไหมรู้เหมือนจะออกรู้ว่า ม, มันแข็งแข็งอยู่ะคะ่ะออนะได้ไปจงใจกดไหมแต่ตอนอยู่ที่บ้านหนูจะรู้สึกว่ามันอิสระกว่านี้คะ่ะ เห็นไหมจิตมันจะกดเนอะเราห้ามมันไม่ได้อย่างเรามาตรงนี้เราตื่นเต้นใช่ไหมจิตมันไปกดจิตมันกดของมันเองไม่ใช่เรากดนะเราก็ปล่อยมันอย่างนี้แหละมันอยากกดก็เรื่องของมันไม่ว่ามันหรอกเดี๋ยวพอออกไปนอกศาลานี้มันก็หายนะเราก็ดูมันไม่กดล้วก็ดูความเปลี่ยนแปลงของจิตไปเรื่อยๆก็ใช้ได้ละหนูพอจะจะดูดูได้ดูออกของคุณเห็นกิเลสแล้วเนี่ยใช่ไหมกิเลสเกิดก็เห็นอยู่แล้วล่ะหนูขอถามหลวงพ่อ ประมาณเดินกันยาค่ะหนูเหมือนว่าหนูเห็นกิเลสมันเกิดแล้วมันก็อยู่แป๊บหนึ่งแล้วมันก็หายไปค่ะแล้วหนูมันมันคืออะไรค่ะมันอะไรนะมันมันคืออะไรอะคะแล้วแล้วหนูจะมีความสุขอยู่อยู่พักหนึ่งค่ะนั่นแหละเราเห็นความจริงแล้วนะใจก็มีความสุขอยู่แล้วก็อย่าอยากให้มันเป็นอย่างนั้นมันจะไม่เป็นหนูค้นทุกวันเลยนั่นแหละมันเลยไม่เป็นให้รู้ว่าอยาก เมื่อไรรู้ลงปัจจุบันนะจิตก็จะตื่นขึ้นมามีความสุขตอนนี้จิตเราไม่ตื่นเพราะเรามัวแต่ค้นอยู่จิตเรามีความอยากเราไม่เห็นว่าอยากก็เข้าไปค้นเลยยุ่งใหญ่เลยอย่าไปค้นมันมันมีอะไรเกิดขึ้นนะมีความอยากเกิดขึ้นรู้ว่าอยากจิตเข้าไปดิ้นรนค้นควารู้ว่าดิ้นรนค้นกวาดูไปเรื่อยๆแล้วมันดีเองอโยมคนโนเลยข้างหลังหนาวไหมหนาวไหม ใครหนาวมัสนิยมการหลวงพ่อครับคิดว่าอยู่ไหนล่ะคืออยู่นี่ครับอ๋อร้านค้าตรงนี้ร้านยมทิพนะครับร้านยมทิพย์ตรงมุมนี้ที่สางวัดไว้ตรงนี้ครับยมผู้ดังๆนี่เถอะหลวงพ่อแก่แล้วหูตึงที่สร้างสวนไวต้ตรงนี้นะครับที่อาจารย์สอนอยู่นะครับอน้านะหลวงพ่อเห็นแล้วครับโมทนาน้ายม รู้สึกว่าพยายามฝึกมือนนะครับแต่ยมรู้สึกไหจิตยมเริ่มเปลี่ยนไปแล้วนั่นมันเริ่มรู้เนื้อรู้ตัวขึ้นมาแล้วนะดีมากเลยอะไรๆก็ไม่สําคัญเท่าอันนี้บุญอะไรก็ไม่ใหญ่เท่าบุญของความมีสติขึ้นมาอย่างเราบุญเราไปสร้างวัดนะเราก็จะไปเกิดเป็นเทวดามีสมบัติมากมีอะไรมากแต่เราภาวนาได้บุญเยอะเลยเยอะกว่านั้นอีกดีมากเลยจ๋าพระยอมครับ ยมมีโอกาสยมมาเรียนนะในไหนอุตสาห์สร้างวัดให้ท่านอนุสรัทธาแล้วครับผมวันนี้มีก็มีพระไปพักเยอะครับสิบโลภครับวันนี้สิบชจ้าเหรอครับสิบโลภเยอะนะครับข้าวของเครื่องใช้พอไหมพวกผ้าพวกอะไรก็พอครับเนี่ยมาขอที่ครูบะปปองได้นะครับผมเผื่อช่วงนี้หนาวจัดอย่างเงี้ยครับหนาวปีนี้รู้สึกหนาวครับ ของโยมเริ่มภาวนาเป็นแล้วละ่ะ<อ>รู้สึกไหมใจมันเหมือนมันตื่นขึ้นม า, าดีมากเลยนี่คนแรกของหมู่บ้านเลยมั้งเนี่ยที่ตื่นครับ อ, อาแปโยมที่นั่งนน้นกลับขอบพระคุณท่านคะ่ะได้เริ่มดูจิตมาตั้งแต่ท่านเปิดสวนสันติธรรมคะ่ะก็ขณะนี้ก็เห็นว่าสุขก็สั้นลงทุกข์ก็สั้นลงโอ้วิเศษเลยเออ แล้วก็พยายามดูไปสบายๆไม่ทราบว่าสบายเกินไปหรือเปล่าคะไม่ไม่สบายกําลังดีค่ะยอมดูเล่นๆไปเรื่อยๆนะยมเห็นแล้วใช่ไหมใจมันเปลี่ยนทั้งวันเลยเห็นค่ะนั่นแหละดีค่ะตอนที่อาตมาหัดนะอาตมาไม่ได้ฝึกอะไรเยอะหรอกดูใจที่เปลี่ยนแปลงเนี่ยดูทั้งวันเลยถ้าเรามีเวลาเมื่อไหร่เราก็ดูเวลาที่ต้องไปทํางานต้องคิดนะเราก็จดจ่อกับงานไปเวลาที่เหลือเราก็คอยรู้ทันความเปลี่ยนแปลงของจิตใจไปเรื่อย ให้ผลเร็วมากเลยนะชีวิตจิตใจเราเปลี่ยนอย่างรวดเร็ ว, รวแล้วก็ยังถูกทางถูกถูกอขอบพระคุณก่ะทานโยมชื่ออะไรนะที่สร้างวัดนะ่ะพูดใส่ใหม่นะ่ไม่ได้ยินเนาะประสิทธิ์ครับอ๋อชื่อประสิทธิ์เหรอครับ Girl, แฟนชื่อทิพย์ครับชื่อทิพย์ครับผมชื่อประสิทธิ์แฟนชื่อทิพย์ดีมีคนเดียว เครับเวลาคนมีบุญเยอะๆเห็นไหมในพระไตรปิฎกชอบบอกเป็นเทวดามีนางฟ้า500เป็นบริวารผู้หญิงรู้สึกเสียเปรียบไม่มีนางฟ้าที่มีเทพประมุขรเป็นบริวารของโยมใครรู้สึกเรื่อยๆนะฟังซีดีหลวงพ่อไปเรื่อยๆแล้วสังเกตใจเรื่อยๆวันนี้แฟนมาไหมครับ คุณทิพย์มาไม่ไม่มาครับเอาไม่มานะครับอยู่บ้านเพราะคุณเรียนให้รู้เรื่องแ่ะดีแล้วจะได้ประโยชน์จากธรรมะไหนๆเราก็อุตส่าห์ศรัทธาสร้างที่ให้พระไปภาวนาได้บุญเยอะนะดีมากเลยครับผมเอาเชิญโยมกลับบ้าน